หนึ่งสมณศักยปติยะที่แท้ 2. สมภาพแห่งสมณศักยปุติยะ 3. สมณพราหมณ์ที่แท้ 4. สมณบัวขาว 5. สมณบัวหลวง 6. สมณยุพราช 7. สมณยุพราชอีกในหนึ่ง 8. สมณในธรรมวินัยนี้ 9. ผู้ทำสมคำปฏิญาณว่าสมณะ10ผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปาสิบเอผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์ 12. ผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ 13. ผู้มีมโนโสมาจารบริสุทธิ์ 14. ผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ 15. ผู้ปิดกั้นอภิชาโทมนัสให้หยุดไหล16 ผู้รู้ประมาณการบริโภค17ผู้เตือนจนกิเลสทำอะไรไม่ได้18ผู้มีสติสัมปชัญญะ19ผู้ออกหาวิเวกธรรม20ผู้ได้บรรลุฌานที่หนึ่ง21ผู้ได้บรรลุฌานที่สอง22ผู้ได้บรรลุฌานที่สาม23ผู้ได้บรรลุฌานที่สี่ 24. ปุกเพนิวาสานุสติญาณ 25. จุตูปปาตาญาณยี่สวบกอยวญาณทำให้เป็นสมณะจริงย7่ 27. ยอมเสียชีวิตไม่ยอมร่วงศิขาบท 28. ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่น 29. รู้ความลับของขันห้า 30. รู้ความลับของอุปาทานขัน 31อรู้ความลับของท่าสี่32รู้ความลับของอินรี่หรู้ความลับของอินรี่ห้าสารู้ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นสมณะได้35รู้อริยสัจจึงเป็นสมณะได้ คุ้มทรจากพระโอษฐ์หมวดที่16ว่าด้วยการไม่ลืมคำปฏิญาณปฏิปักษณัยของหมวดเจอันว่าด้วยการลืมคำปฏิญาณสมณะสักยะปุตติยะที่แท้ว่าเศรษฐะทั้งหลายพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคต่างกันมีสกุลต่างกันออกบวจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว เมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครดังนี้พวกเธอก็ปฏิญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักะยะปุตติยะดังนี้ว่าเศรษฐาทั้งหลายอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนาไปทางอื่นได ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมในรมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายบ้างพรหมกายบ้างธรรมพูดบ้างพรหมพูดบ้างนี้เป็นคำสำหรับใช้เรียกแทนชื่อตถาคตแล สมผ้าแผงสมณะสักยะปติยะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีก็ตามคลั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมทิ้งชื่อเดิมของตนย่อมถึงการเรียกชื่อใหม่ว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายวันณะทั้งสี่นี้ก็อย่างเดียวกันฉันนั้น จะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวทหรือสูตรก็ตามเมื่อคนเหล่านั้นออกโบวถ์ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละทิ้งชื่อและชื่อสกุลแต่เดิมของตนเสียย่อมถึงการเรียกชื่อใหม่ว่าพวกสมณะสักยะปุตติยะดังนี้เหมือนกันหมดโดยแท้ภิกษุทั้งหลายข้อที่วันณะทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวทหรือสูตร ครั้นออกโบวถในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละทิ้งชื่อและชื่อสกุลแต่เดิมของตนเสียถึงความเรียกชื่อใหม่ว่าพวกสมณะสักยะปุตติยะดังนี้เหมือนกันหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น่าจะเป็นได้ในธรรมวินัยนี้ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วซึ่งข้อนี้ย่อมเกิดความพอใจอย่างยิ่งในธรรมวินัยนี้แหล สมณะพราหมณ์ที่แท้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งรสอร่อยของโลกโดยความเป็นรสอร่อยของโลกโทษของโลกโดยความเป็นโทษของโลก อุบายเครื่องออกไปพ้นจากโลกโดยความเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากโลกภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์พวกนั้นถูกสมมุติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามถูกสมมุติว่าเป็นพราหม์ในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายก็ตามก็เป็นสมณะหรือเป็นพรามณ์ได้แท้และได้ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วและเป็นอยู่สมณะบัวขาวภิกษุทั้งหลายสมณะบัวขาวเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง มีความมุ่งหมายถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการทำงานถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีความเพ่าเพียนถูกต้องมีความระลึกถูกต้องมีความตั้งใจมั่นคงถูกต้องมีญาณถูกต้องมีวิโติถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องวิโมกแปรด้วยนามกายภิกษุทั้งหลายบุคคลอย่างนี้แลเรียกว่าเป็นสมณะบวขาว สมณะบัวหลวงภิกษุทั้งหลายสมณะบัวหลวงเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความมุ่งหมายถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการทำงานถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีความภาคเพียรถูกต้องมีความระลึกถูกต้องมีความตั้งใจมั่นคงถูกต้องมีญาณถูกต้องมีวิมุตถูกต้อง และเป็นผู้ถูกต้องวิโมกแปดด้วยนามกายด้วยภิกษุทั้งหลายบุคคลอย่างนี้แลเรียกว่าเป็นสมณะบัวหลวงสมณะยุพราชภิกษุทั้งหลาย สมณยุพราชเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นเสขะเคยยังต้องทำกิจต่อไปเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ยังปรารถนานิพพานอันเป็นที่เสมจากโยคะไม่มีเอื่ญยิ่งกว่าเป็นอยู่เปรียบเหมือนโอรสองค์ใหญ่ของพระราชาผู้เป็นตริย์มุรธาพิเศษเป็นผู้ควรแก่การอภิเสกแต่ยังไม่ได้รับการอภิเสกดารงอยู่ในตาแหน่งยุปราชชั้นใด ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นเสขะเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ยังปราถนานิพพานอันเป็นที่กเกษมจากโยคะไม่มีเอื่นยิ่งกว่าเป็นอยู่ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลอย่างนี้แลเรียกว่าเป็นสมณยุพราชสมณยุพราชอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายสมณยุพราชเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้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 สมณะในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีในธรรมวินัย น, น, นี้เองสมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้ลัที่อื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบันเลยสีหน้าโดยชอบอย่างนี้เถิดภิกษุทั้งหลาย สมณะที่หนึ่งเป็นอย่างไรเล่าพิกสุทั้งหลายพิกสุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นรอบแห่งสัญโยสามเป็นผู้แรกถึงกระแสนิพพานมีอันไม่ตกตามเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ผู้แน่ที่จะตรัสรู้ข้างหน้าพิกสุทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่หนึ่งพิสุทั้งหลายสมณะที่สองเป็นอย่างไรเล่าพิกสุทั้งหลายภิษุในธรรมวินัยนี้ เพราะซิ่มรอบแผงสัญญชณสามและเพราะความมีราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นผู้มาอีกครั้งเดียวมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิษุทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่สองภิสุทั้งหลายสมณะที่สามเป็นอย่างไรเล่าภิษุทั้งหลายภิษุในธรรมวินัยนี้เพราะซิ่มรอบแผงสัญญน์เบื้องตามห้าอย่าง เป็นผู้ลอยเกิดในชั้นสุทาวาทย่อมมีการปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่สามพิสุทั้งหลายสมณะที่สี่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยกระทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นสมณะที่สภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีในธรรมวินัยนี้เองสมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้ละที่อื่นก็ว่างจากสมณะของละที่อื่นภิกษุทั้งหลาย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 ถึงเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองว่าเราเป็นสมณะดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าสมณนะและปฏิญาณตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอทั้งหลายจะต้องสำเนียกใจว่าทำเหล่าใดอันจะทําเราให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์เพอเป็นอรหันผู้ลอยบนบาปเสียแล้ว เราจะประพฤติถถอเอาด้วยดีซึ่งทำเหล่านั้นด้วยอาการปฏิบัติของเราอย่างนี้สมัญญาว่าสมณะของพวกเราก็จักเป็นจริงและคำปฏิญาณว่าสมณะของพวกเราก็จักสมจริงอันหนึ่งเล่าเราบริโภคใช้สอยจีวรนิบนทบาทเสนาสนะและคีฬานปั จ, จัยเพศเปรคารของทายกเหล่าใดการบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้นก็จักมีผลใหญ่มีอนิสงใหญ่ และการบรรพชาของเราเองก็จะไม่เป็นหมันเปล่าแต่จกมีผลมีกำไรแก่เราโดยแท้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล ถึงพร้อมด้วยหิริโอตตปะภิกษุทั้งหลายท่านเล่าไหนเล่าที่จะทำพวกเราให้เป็นสมณะที่จะทำพวกเราให้เป็นพรามภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องสำเนีกตันให้ได้อย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตปะภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียออย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมีแก่พวกเธอ เคยจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตปะพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจเอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแกพวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็ อ, อย่าทาผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไป เพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู่ผู้เมียกายะสมาจารย์บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไร คือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่ากายสมาจาร์การประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยกายของเราบริสุทธิ์แล้วงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุมิได้เป็นอันสำรวมดีแล้วอันหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อ น, นี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมีแก่พวกเธอ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 ก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู่ผู้มีวจีสมาจารย์บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลาย จิตที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรคือการสำเนีกอตนเองให้ได้ว่าวจีสมาจารการประพฤติชอบสม่าเสมอด้วยวาจาของเราบริสุทธิ์แล้วงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุมิได้เป็นอันสำรวมดีแล้วอันหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อ น, นี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนีจอย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมีแค่พวกเธอเคอจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริอุตตปะกายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจเอื่นที่จะต้องทำให้ยื่นขึ้นไปอีกมิได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอ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 ม, มโนสมาจารบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทําให้ยิ่ยงขึ้นไปอีกเป็นลําดับนั้นคืออะไรคือการสําเนียกตนเองให้ได้ว่ามโนสมาจารการประพฤติชอบสม่รรําเสมอด้วยใจของเราบริสุทธิ์แล้วงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุมิได้เป็นอันสํารวมดีแล้วอันหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อ น, นี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมิแก่พวกเธอเคยจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริและอุตตปะกายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มี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 ที่สุทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมีแค่พวกเธอเคยจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปะกายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณปฏิบัติแล้วจิตเอินที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มี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 ผปิดกัน้นอภิชาโทมนัสให้หยุดไหลภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลําดับนั้นคืออะไรคือการสำเนีจอตนเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาแล้วจากไม่เธอเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบเถอทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามผู้ที่มีสมรวมอินทรีย์คือตาใดเป็นเหตุเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้จากเป็นผู้รักษาถึงการสมรวมอินทรีย์คือตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐะด้วยกายได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วจากไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วน สิ่งอันเป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้จากเป็นผู้รักษาถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหลและถึงมีตรักมีให้นอนใจด้วยคุณเพียงเท่านั้นและตรัสเตือนว่ายังมีกิจที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีก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 เราจะเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจากพิจารณาโดยแยกคลายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพื่อเพียงให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์โรมจันทร์ด้วยการทำอย่างนี้เราจะขจัดเวทนาเก่าเคยหิวเสียแล้วไม่ทาเวทนาใหม่เคย อ, อิ่มจนอึนอดอัดให้เกิดขึ้น ความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่พาสุขสำราญจากมีแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลและถึงมีตรัสไม่ให้นอนใจด้วยคนเพียงเท่านั้นและตรัสเตือนว่ายังมีกิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกในตอนท้ายนี้ทุกครั้ง จนกิเลส ท, ทำอะไรไม่ได้ภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรคือการสำเหนียกตนเองให้ได้ว่าเราจะตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องเตือนเราจะชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอวารานิยธรรมคือกิเลสเรื่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยังคำ่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรี เราจากนอนอย่างราชสีเคือกแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายของราตรีเราลุกขึ้นแล้วจากชำระ จ, จิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอวรนิยธรรมด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลและถึงมีตรัสมิให้นอนใจด้วยคุณเพียงเท่านั้นและตรัสเตือนว่า ยังมีจิตที่จะต้องทำให้ยืนขึ้นไปอีกในตอนท้ายนี้ทุกครั้งผู้มีสติสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายจิตที่พวกเธอต้องทำให้ยืนขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไร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 การพูดการนิ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลละถึงมีตรัดม่ให้นอนใจด้วยคุณเพียงเท่านั้นและตรัสเตือนว่ายังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกในตอนท้ายนี้ทุกครั้ง ออกหาวิเวะกะธรรมภิกษุทั้งหลายกิที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มาเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้าป่าช้าป่าชัดที่แจ้งกองฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาภายหลังอาหารเธอกลับจากปินทบาตแล้ว นั่งคูบันลังขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอภิชาคอยชำระจิตจากอภิชาและพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทและถีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถีนมิทะ มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากถีนมิทะและอุทจักกุกุจจกไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากอุทจักกุกุจกักและวิจิ ก, กิจฉาข้ามล่วงวิจิ ก, กิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากวิจิ ก, กิจฉาภิกษุทั้งหลาย เรียบเมือนชายผู้หนึ่งกู้หนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกําไรยังเหลือพอเลี้ยงพัญญาได้ถมไปเขาคงค น, นึงถึงโชคลาบว่าเมื่อก่อนเรากู้นี้เขาไปทําการงานสําเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกําไรยังพอเลี้ยงพัญญาได้ถมไปดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดในอย่างหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปรียมเหมือนชายอีกผู้หนึ่งป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารไม่ตกกำลังน้อยครั้นเวลาเอินเขาหายจากไข้นั้นอาหารก็ตั้งกำลังก็มีเขาต้องนึกถึงการเก่าว่าเมื่อก่อนเราป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารก็ไม่ตกกำลังน้อยลงบัดนี้เราหายจากไข้นั้นอาหารก็ตั้งกำลังก็มีมาดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจ สมนัตเพระข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งติดเรือนจำครั้นเวลาอื่นเขาหลุดจากเรือนจำโดยสะดวกไม่มีภยัยไม่เสียทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราติดเรือนจำบัดนี้เราหลุดมาได้โดยสะดวกไม่มีภยัยไม่เสียทรัพย์ดังนี้ ขาย่อมปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งเป็นทาตเขาพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอําเภอใจไม่ได้ครั้นถึงสมัยเอินเขาพ้นจากการเป็นทาตพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอําเภอใจได้เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาตพึ่งตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้ครั้นถึงสมัยเอ่นเราพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้ดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งนำทรัพย์เดินทางไกลอันกันดานครั้นพ้นทางกันดานได้โดยสะดวกไม่มีภัย ไม่ต้องเสียโภกทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเขาอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรานำทรัพย์เดินทางไกลอันกันดานคลันพลทางกันดานไม่มีภัยไม่ต้องเสียโภกทรัพย์ดังนี้เขาย่อมปราโมทเป็นเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเหล่านี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นนิวร์หประการที่ตนยังละไม่ได้ว่าเป็นเช่นกับการกู้หนี้เช่นกับการเป็นโรค เช่นกับการติดเรือนจำเช่นกับการเป็นธาตุและการนำทรัพย์ข้ามทางกันดานและเธอพิจารณาเห็นนิวร์ห้าประการที่ละเสียได้แล้วในตนเองเป็นเช่นกับการหมดหนี้การหมดโรคการหลุดจากเรือนจำการพ้นจากธาตุการบรรลุ ถ, ถึงที่พ้นภัยเธอย่อมปราโมชบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันนั้นเหมือนกันแล ได้บรรลุฌานที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์หประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจและทําปัญญาให้ถอยกําลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้น ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีภิกษุทั้งหลายปรีบเหมือนในช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดโรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมากไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึมทั่วกันแล้ว จับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลยหยดชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกัน ได้บรรลุฌานที่สองพิสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้ภิกษุจึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผองใสแห่งใจในภายในณที่เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห่วงน้ำอันลึกมีน้ำอันปวนไม่มีปากน้ำทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือแต่ฝนตกเพิ่มน้ำให้แก่ห่วงน้ำนั้นตลอดการโดยการท่อน้าเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้าประพรมทาให้ชุ่มถูกต้องห่วงน้านั้นเอง ส่วนไหนๆของห่วงน้ํานั้นที่น้ําเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งมีกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกัน ได้บรรลุฌานที่สามพิสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติพิกสุเป็นผู้อยู่อุบเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุบเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทาให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบ ด้วยลำพังสุขหาปิติมิได้ส่วนได้ส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปฐุมหนองบัวบุญทริกมีดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางเหล่าที่เกิดอยู่ในน้ำเจริญอยู่ในน้ำยังขึ้นไม่พ้นน้าจมอยู่ภายใต้ น, น้าเลี้ยงไว ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้ําเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนไหนไหนของดอกโบวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ําเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยลำพังสุขหาปิติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ลำพังสุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มี ชันนั้นเหมือนกันผู้ได้บรรลุฌานที่สภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสเนการก่อน ภิกษุจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระโอเบขาแล่แลอยู่เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจแอมบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจแอมบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะส่วนไหนเนี่กายเธอทั่วทั้งตัว ที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วเคอไม่คลุมแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุนั่งแผ่ใจแอมบริสุทธิผ่องใสไปตลอดกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งเนื้อกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจแอมบริสุทธิผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกัน ปุเพนิวาสานุสติญาณภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อปุเพนิวาสานุสติญาณเธอระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการเคยเธอระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบชาติสาสิบชาติสี่สิบชาติห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกรรหลายวิวัตกรรหลายสังวัตกรรและวิวัตกรรมบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรมีวันะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้น มีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพโน้นมีชื่อโคดวันนะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เธอเระลึกถึงขรั้นที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่ง ออกจากบ้านตนเองไปบ้านคนอื่นแล้วออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นอีกแล้วออกจากบ้านนั้นๆกลับมาสู่บ้านของตนเองเขาจะระลึกได้อย่างนี้ว่าเราออกจากบ้านตนเองไปสู่บ้านโน้นที่บ้านโน้นนั้นเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นคลันออกจากบ้านนั้น N แล้วได้ไปสู่บ้านโน้นอีกแม้ที่บ้านโน้นนั้น เราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นเราออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนเองข้อนี้เป็นชันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการละถึงพร้อมทั้งอาการและลักษณะเช่นนี้ชันนั้นเหมือนกัน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 มีวันณะดีมีวันณะเลวมีทุกข์มีสุขเธอรู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตอวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่อบายทุกติวินิบาตนารกท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ่ย ส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตี้มพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นสัมมาทิฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เธอมีจักษุที่บริสุทธิ์กว่าจากักษุของสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่เบ่งเกิดอยู่เลวประณีดมีวันณดีวรรณะเลว มีทุกข์มีสุขรู้ชัดหมูสัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันณนะที่นั้นชายมีจักษุดียืนอยู่วางกลางเขาอาจเห็นหมู่มนุษย์ที่เข้าไปในเรือนบ้างออกมาบ้างเดินไปมาบ้างเดินตรงบ้างเลี้ยวบ้างข้อนี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุมีจักษุเป็นทิพย์ บริสุกว่าจากักษุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามปราณีตมีวันณดีมีวันณเลวมีทุกข์มีสุขและถึงเธอรู้าตดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ฉันนั้นเหมือนกัน สวัคยญ า, ยานทําให้เป็นสมณะจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบรรสผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคยญ า, ยานเธอย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุที่ยเกิดทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และว่าเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเธอรู้อยู Aye, hmm. ่อย่างนี such such <po ้เห็นอยู่อย่างนี้จีก็พ้นจากกรรมสวะภวาสวะอวิชชาสวะ คั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสที่ไหลเขาไม่ขุนมัวคนมีจักสุดียืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาจะเห็นหอยต่างๆบ้าง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 ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เชน่นนี้และว่าเรานี้เป็นอาสะวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสะวะทั้งหลายเนื้อความดับไม่เหลือแห่งอาสะวะทั้งหลายนี้ข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสะวะทั้งหลายเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากกามาสะวะพะวาสะวะอวิชชาสะวะ ครันจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดยางอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสําเร็จแล้วกิจเอิญที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เสร็จกิจแล้วเช่นดังกล่าวนี้เราเรียกว่าเป็นสมณะบ้างเป็นพรามบ้างเป็นนหาตะกะบ้าง เป็นเวทคูบ้างเป็นโสติยะบ้างเป็นอริยะบ้างเป็นอรหันบ้างทรงให้คําอธิบายว่าเป็นสมณะเพราะสงบจากสิ่งที่เป็นอกุศลลามกที่เป็นไปข้างฝ่ายเศร้าหมองที่เอียงไปข้างความต้องเกิดอีกเป็นไปกลับด้วยความกรนกระวายมีทุกขเป็นผลเป็นที่ตั้งของความเกิดความแก่ความตายต่อๆไปเป็นพราหม์เพราะลอยสิ่งที่เป็นอกุศลลามกเสร็จแล้ว เป็นนหาตะกะเพราะล้างสิ่งที่เป็นอกุศลลามกแล้วเป็นเวตะคูเพราะรู้จบสิ้นสิ่งที่เป็นอกุศลลามกแล้วเป็นโสติยะเพราะไม่สดับสิ่งที่เป็นอกุศลลามกแล้วเป็นอริยะเพราะไปจากสิ่งที่เป็นอกุศลลามกแล้วเป็นอรหันเพราะไกลจากสิ่งที่เป็นอกุศลลามกแล้ว ยอมเสียชีวิตไม่ยอมล่วงศิขาบทภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกับที่มหาสมุทรย่อมมีน้ำหยุดอยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่งเป็นธรรมดาหาล้นฝั่งไปไม่ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติศิขาบทใดๆแก่สาวกทั้งหลายของเราแล้วสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ก้าวล่วงศิขาบทนั้นๆแม้จะต้องเสียชีวิตก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เราบัญญัติศิกขาบทใดๆแก่สาวกทั้งหลายของเราแล้วสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่กล้าล่วงศิกขาบทนั้นๆแม้จะต้องเสียชีวิตนั้นแหละเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น่าจะมีได้ในธรรมวินัยนี้ซึ่งเมื่อพิสุทั้งหลายได้เห็นแล้วเห็นแล้วซึ่งข้อนี้ย่อมเกิดความพอใจอย่างยิ่งในธรรมวินัยนี้แหละ ลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือกุล บ, บุตรบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความริ่ํราไ ร, ราพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแคนใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกมีทุกอยู่เฉพาะหน้าแล้ว ทำชะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเธอสามารถทําลาบสักการะและเสียงเยนยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีในลาบสักการะและเสียงเยนยออันนั้นไม่มีความดมฤติเต็มรอบแล้วในลาบสักการะและเสียงเยนยออันนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะลาบสักการะและเสียงเยนยออันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในลาบสักการะและเสียงเยนยออันนั้น ไม่ถึงความประมาทในลาบสักการะและเสียงเย็นยออันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้นเธอไม่ทะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้นไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้น เมื you, talent, ่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอนนั้นแต่ไม่มีความดํำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่ทะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเธอไม่เมาไม่มัวเมาในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นไม่ถึงความประมาทในความถึงพร้อมด้วยสมาธิอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ญาณทัศนะ ปัญญาเครื่องรู้เห็นเกิดขึ้นได้อีกเธอมีใจยินดีในยานทัศนะอันนั้นแต่ไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในยานทัศนะอันนั้นเธอไม่ทนงตัวเพราะยานทัศนะอันนั้นเธอไม่เมาไ ม, มไม่มัวเมาในยานทัศนะอันนั้นไม่ถึงความประมาทในยานทัศนะอันนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้สมยวิโมก ค, ความพ้นพิเศษโดยสมัยเกิดขึ้นได้อีกภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ย่อมเป็นไปได้คือข้อที่พิกษุนั้นจะพึงเสื่อมคลายจากสมยาวิมุตติอันนั้นก็ได้พิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้ส่อหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นเถอไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างรู้จักแก่น รู้จักกระพีรู้จักเปลือกสดรู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เศาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็ตัดเอาแก่นแท้ถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้สิ่งที่เขาจะต้องทําด้วยแก่นไม้จากสําเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้น ที่กุลบุตรบางคนออกบวถ ด, ด้วยศรัทธาปฏิบัติไม่หลงผิดจนกระทั่งบรรลุอาสมยะวิโมกภิกษุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นได้คือข้อที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมคลายจากอาสมยะวิมุตตความหลุดพ้นที่ไม่มีสมัยอันนั้นเลยภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ น, นี้ไม่ใช่มีลาบสักระและเสียงเยินยอเป็นอนิสง พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ภิกษุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่มีกำเริบอันใดมีอยู่พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีเจโตวิมุตตินั่นแหละเป็นแก่นสารมีเจโตวิมุตตินั่นแหละ เป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์แลรู้ความลับของขันหโสนะสมณะหรือพรามพวกใดย่อมรู้จากลักษณะรู้จากเหตุเกิดขึ้นรู้จากความดับสนิท รู้จากข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารย่อมรู้จากลักษณะรู้จากเหตุเกิดขึ้นรู้จักความดับสนิทรู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งวิญญาณโสนะสมณะหรือพรามพวกนั้นถูกสมมติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามถูกสมมติว่าเป็นพรามในบรรดาพรามทั้งหลายก็ตาม ก็เป็นสมณะหรือเป็นพรามได้แท้และได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชนแห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลเป็นอยู่ ความลับของอุปาทานขันภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดย่อมรู้จากรสอร่อยรู้จักโทษและรู้จักอุบายเครื่องสลัดออกไปพ้นในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นถูกสมมติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามถูกสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในบรรดาพราม์ทั้งหลายก็ตามก็เป็นสมณะหรือเป็นพราหมณ์ได้แท้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 สมณะหรือพรามณพวกใดย่อมรู้จักกรถอร่อยรู้จักโทษและรู้จักอุบายเครื่องสลัดออกไปพ้นในท่าสีเหล่านี้ตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นถูกสมมุติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามถูกสมมุติว่าเป็นพราหมณ์ในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายก็ตามก็เป็นสมณะหรือเป็นพราหมณ์ได้แท้และได้ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหม์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลเป็นอยู่รู้ความลับของอินทรีย์หกภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดย่อมรู้จักความเกิดขึ้น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 ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลเป็นอยู่รู้ความลับของอินสียห้าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมกใดย่อมรู้จากความเกิดขึ้น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 หรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเอ ง, เองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลเป็นอยู่รู้ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นสมณะได้ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามพวกใดย่อมรู้จากชรามรณะรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งชรามรณะรู้จักความดับสนิทแห่งชรามรณะรู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งชรามรณะย่อมรู้จักชาติรู้จกักเหตุเกิดขึ้นแห่งชาติรู้จักความดับสนิทแห่งชาติรู้จักข้อปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแห่งชาติย่อมรู้จักภพรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งภพ รู้จักความดับสนิทแห่งภพรู้จกักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งภพย่อมรู้จักอุปาทานรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งอุปาทานรู้จักความดับสนิทแห่งอุปาทานรู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งอุปาทานย่อมรู้จักตันหารู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งตัหารู้จักความดับสนิทแห่งตัหารู้จักข้อปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแห่งตัหา ย่อมรู้จากเวทนารู้จากเหตุเกิดขึ้นแห่งเวทนารู้จากความดับสนิทแห่งเวทนารู้จากข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งเวทนาย่อมรู้จากผัสสะรู้จากเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะรู้จากความดับสนิทแห่งผัสสะรู้จากข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งผัสสะย่อมรู้จักอายตนะหกรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งอายตนะหกรู้จักความดับสนิทแห่งอายตนะ6 รู้จากข้อปฏิบัติเคเรื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งอายตนะหกย่อมรู้จกักนามรูปรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งนามรูปรู้จักความดับสนิทแห่งนามรูปร uh> uh> ู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งนามรูปย่อมรู้จักวิญญาณรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งวิญญาณรู้จักความดับสนิทแห่งวิญญาณรู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งวิญญาณย่อมรู้จักสังขาร รู้จักเหต birthday, verder, Same, ุเกิดขึ้นแห่งสังขารรู้จักความดับสนิทแห่งสังขารรู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งสังขารภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์พวกนั้นถูกสมมติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามถูกสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายก็ตามก็เป็นสมณะหรือเป็นพราหมณ์ได้แท้และได้ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลเป็นอยู่รู้อริยสัจจึงเป็นสมณะได้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมูพวกใดย่อมรู้จากตามที่เป็นจริงว่า ทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้รู้จักตามที่เป็นจริงว่าเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นเช่น y, นี้เช่นนี้รู้จักตามที่เป็นจริงว่าความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่น y, นี้เช่นนี้รู้จักตามที่เป็นจริงว่าข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุก์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกนั้นถูกสมมติว่าเป็นสมณนะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามถูกสมมติว่าเป็นพราหมณ์ ในบรรดาพรามทั้งหลายก็ตามก็เป็นสมณะหรือเป็นพรามได้แท้และได้ทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลเป็นอยู่มวที่16จบ